ต่อไปข้อ 6. สัตตมีวิพัฒต์ในอากากรณะกรณณะนี้เนี่ยเป็นอัตของตัติยาวิพัฒต์แต่ว่าจะลงสัตตมีวิพัฒต์ให้แปลเป็นกรณณะแปลเป็นตัติยาให้แปลว่าด้วยโดยหรือตามตัวอย่างข้อหหัดเถสุปินดายะจักรันติ จังรันติย่อมเที่ยวไปย่อมจางรีกไปแล้วกันจะเที่ยวเลยย่อมจาง ร, รีกไปปินดายะเพื่อบินธบาตหัดเถสุด้วยมือทั้งหลายถ้าแปลว่าในมือนะก็โอ้ามาเดินอยู่ในมือนี่เองเดินบินธบาตเดินอยู่ในมืออย่างนี้มันไม่ได้ด้วยมือนั่นหมายความว่าอาการที่ถือบาทเดิน ถ้าเราจะบอกว่าพลิกุูนยงหลายน่ะถือบาทไปเดินบินทบาทเนี้เราก็เลยใช้คำว่าจาริกเพื่อบินทบาทด้วยมือด้วยอย่างอื่นก็ได้ด้วยเท้าหมายถึงอาการเดินใช่ถ้าถ้าด้วยเท้าต้องเปลี่ยนจารันติเป็นคัดสันติคือจะจารันติมันแปลว่าประพฤตนะิน่ะไม่ได้แปลว่าเดินถึงบอกว่าจาริกไงไม่ได้แปลว่าเดินไปไง ไม่ได้แปลว่าเที่ยวไปไม่ได้แปลว่าเดินไปแปลว่าจางิ ก, กคือจาริกเนี่ยหมายถึงข้อประพฤติมากกว่ากิริยายนะก็คือจางิกด้วยด้วยจาริกบินทบาทด้วยบาทด้วยมือคือจะสะท้อนให้เห็นว่าอุ้มบาทไปบินทบาทนั่นเองอุ้มบาทบินทบาททีนี้วิธีถือบาทเนี่ยนะปกติถือบาทมันมีสองครั้งหนึ่ง ถือบาทรับสองถือบาทให้ถือบาทรับเนี่ยนะมืออยู่นอกบาทถือบาทให้มืออยู่ในบาทถ้าถือบาทรับแล้วก็มือเราอยู่นอกบาทอยู่นอกบาทอยู่ยังไงก็ได้ถ้าถือบาทแบบคนขอทานจะเอามือสองมือไว้ใต้บาทถ้าถือแบบขอทานเนี่ยไอ้มือสองมือไว้ใต้บาทก็จะยกยกยกบาทอย่างนี้ถือขอทาน ถ้าถ้าถือบาทแบบพิกษุก็มือหนึ่งอยู่ใต้บาทมือหนึ่งอยู่ข้างบาทถือบาทแบบพิกสุถ้าถือบาทแบบพิกสุผู้โลภในอาหารก็จะถือเอามือทั้งสองข้างไว้ข้างบาททีนี้บอกว่าถือบาทสองครั้งก็คือในขณะที่ถือบาทรับบินะบาทเนี่ยมือสองข้างอยู่นอกบาทก็คืออยู่ด้วยอาการอย่างนี้แหละนั้นเวลาพระถือบาทก็จะถืออย่างนี้แล้อุ้มบาทมือหนึ่งมือหนึ่ง ทรงมือหนึ่งประคองแล้วก็ส่วนถือบาทเวลาให้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะจำเป็นจะต้องให้พระราชาให้โจรให้สามเณรหรือให้คนที่เราเห็นว่าไม่ให้ไม่ได้อย่างเช่นเดินไปบินธบาตอยู่เห็นใครก็ไม่รู้ซึ่งเมื่อเช้าก็เห็นแต่ไม่รู้จะทำยังไงได้เห็นยอมคนหนึ่งก็เป็นคนที่อยากไร้คนหนึ่งอ่ะนะเดินอยู่ตามถนนนี่แหละ แต่ว่าท่าทางเนี่ยก็าสามารถวินิจฉัยได้ว่าหิวข้าวมากกว่าเป็นโรคดูท่าทางใชนะ่ไหมสามารถบอกให้รู้ได้ว่าเขาหิวมากกว่าที่เขาจะเดินสกอกแซงแค่ด้วยความด้วยอาการเจ็บป่วยเ็าอยากจะให้เหมือนกันแต่ว่าบาังเอิญจังหวะที่เดินไปถึงเขานะั้มันยังไม่ได้รับบิณฑบาตเลยยังไม่มีของอยู่ในบาต ท, ทีนี้วันก่อนอาตมาเห็นพระรูปหนึ่ง รูสึกจะไม่เป็นพระไทยไม่ใช่ศรีลังกาก็เป็นปากีสถานหรือก็เนปาลอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่วัดมหาธาตุเนี่ยซึ่งวัดมหาธาตุจะมีพระพม่ามีพระเนปาลมีพระศรีลังกาขเขมรลาวมาเรียนมหาชุราระดับปริญญาตรีปริญาโทเขามีท่านเดินพิดาบัดหมจีวรก็ไม่เรียบร้อยไม่เหมือนพระไทยหอมแล้วก็เดินบินบาบัด ไปเวลาเจอเด็กบางทีเด็กแม่จูงแขนมาไปเรียนหนังสือไปอะไรเนี่ยไปล้วงของในบาทเอาขนมเอาอะไรมนาะแจกเด็กตมาเดินไปที่ทประจันเห็นพอดีเด็กมันก็เดินนำหน้าตามาไปพระก็เดินสวนมาพระก็ล้วงเอาขนมอยู่ในบาทเนี่ยให้เด็กแม่มันก็นอุ๊ยพระเอามาให้หนูทำไมอะทีนี้ร้านค้าก็บอกว่า รับไว้เถอะหนูพระองค์นี้ท่านให้ทุกวันแหละอ้าวเราก็เลยรู้ยิ่งไปอีกเพราะแม่ค้าเห็นทุกวันใช่ไหมไอเราเห็นวันเดียวเดี๋ยวโอ้พระองค์นี้ไม่รู้จักวิ น, นัยให้ได้ให้ได้ถ้าจําเป็นให้ในกรณีจําเป็นเท่านั้นท่านเรียกว่าให้อนามัถบินทบาตท<อ>ให้อนามอนามทบินทบาตเนี่ยให้ทั่วไปไม่ได้ถ้าให้ทั่วไปในปรับอาบัต คำว่าอานามัตรฐานแปลว่าของที่เรายังไม่ได้เอาบินทบาตเรารับมาแล้วเราจะไม่ได้แบ่งเรายังไม่ถือเอาว่าเราจะฉันอันไหนที่เหลือนั้นเราคงฉันไม่หมดแล้วเราก็ให้ส่วนที่คิดว่าเราฉันไม่หมดนั่นแหละย่ันนี้ว่าให้อนามัถาบินทบาตในกรณีที่ให้เนี่ยหนึ่งให้โจรสองให้พระราชาสามให้มารดาบิดาสามกลุ่มเท่านั้นที่ให้ได้ ผู้เจ้าอนุ ญ, ญาตให้อนาวมัธวินาบัตไว้สามพวกถ้าจนปร้นนะต้องให้ให้ไปเถอะจนเอาร้นเอาอาหารบิณฑบาตอะ่ะเอาเราก็ต้องให้ไงให้หรือไม่ให้ไม่ให้ตายอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ถ้าแย่งไปเฉยเมื่อกันแล้วไปอะ่ะ <laughs> แล้วก็พระราชาพระราชาขอขอเลยภิกษุบิณฑบาตได้ไหมได้ขอสักหน่อยสิต้องให้ นะแล้วก็กลุ่มที่สามมารดาบิดาไม่ต้องรอให้ขอเอาไปให้ได้ทันทีแม้จะยังไม่ได้แบ่งเอาก็ตามแต่นี้เดิน<ๆ>เดินไปให้คนโน้นให้คนนี้อย่างนี้ยไม่ได้นะเพราะเพราะว่าไม่สามารถจะรักษาศรัทธาไว้ได้ปับอบัตต น, นามัฏฐนเครับเกี่ยงไงครับต่อพระตถาทฐานครับมัฏฐานอามัฏฐานนี่แปลว่ารับเอาไว้เป็นของตัวเองแล้ว ณะในแปลว่ายังเลยเข้าสมาเป็นอนามัถะยังไม่ได้รับเอาไว้เป็นของตัวเองยังไม่ได้แบ่งเอานะให้ของที่ยังไม่ได้แบ่งเอานั้นท่านจะบอกว่าในขณะที่ให้เนี่ยนะจําเป็นจะต้องให้เนี่ยนะถูกบังคับหรือว่าถูกจี้ถูกปล้นหรือจําเป็นอย่างใดหนึ่งจะต้องให้เนี่ยเวลาให้ให้เอามือใส่ในบาทไว้มือหนึ่งถือบาทข้ทางนอกมือหนึ่งเอามือล้วงไปในบาทแล้วเอาเนิ้วเกี่ยวอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ว่าของเนี่ยเราแบ่งเอาแล้ว ให้ติดบาดเอาไว้เช่นเอาเข้าวสองสามเมตรเท่าที่มันจะติดมือได้ถ้ามันจําเป็นเอาอะไรไม่ได้เลยนะแล้วกดใส่บาดเอาไว้ที่เหลือนั้นเขาจะหยิบอะไรไปกระชั่งครับก็ถือว่าเนี่ยเราได้เอาของเราส่วนของเราไว้แล้วจะไม่ต้องเอาบาดไม่ต้องอาบตดจะให้ครับแต่มันบินทบบาดังไม่ได้ไม่เลยไม่ได้ให้อ๋ออย่างนี้ก็ไม่เจอกันอ้าวก็เรายังไม่มีเราจะให้ยังมันก็ให้ไม่ได้ไม่ถือว่าผิดหรืไม่ผิดสมมติว่าผมจะให้สมมติว่าผมได้บินทบบาดแล้วเนี่ยนะ ผมก็จะต้องเอาของผมก่อนละ่ะผมก็จะยกมาดูอ่ะถุงนี้เราเอาถุงนี้เราไม่เอาละคิดว่าแค่นี้อิ่มละแล้วก็เอาส่วนเอาส่วนเหลือเขาเรียกว่าเอาส่วนเหลือให้ไปให้ใครก็ได้เหลือจากเราแล้วใครเอาก็ได้เท่นั้นนะไม่จากัดก็ไม่ถึงกับว่าเป็นบาปนะถ้าบาปหรือกลายเป็นว่ากรรมบกท์จริงๆไม่เป็นกรรมบทมแต่ว่าเป็นเป็นโลกวัชชะเท่านั้นเป็นต้องอาบัตใช่ เป็นโลภวัชชะพุ้ธเจ้าเปล่อาอบาตเพราะว่าไม่สามารถจะรักษาศรัทธาไว้ได้อย่างเช่นคนเขาศรัทธาเห็นพระรูปนี้อยากจะถวายอาหารมิถุบาตรก็โยมก็ใส่พอใส่แล้วไปส่งให้เด็กอย่างเนี้ยโยมอุ๊ยราถวายพระพระทำไมเอไปให้เด็กเดี๋ยวโยมที่ศรัทธาก็จะหมดศรัทธาได้ดก็ก็อย่างนี้แหละพุ้เจ้าเห็นอย่างเนี้ยเพราะภิกษุเนี่ยอ บ, บางภิกษุบางรูปเนี่ยนะมีครอบครัวอยู่ก่อนแล้วมาบวช พอบวชมาแล้วแบ่งอาหารบิณฑบาตเนี่ยให้ครอบครัวไปบิณฑบาตเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรอย่างเนี้ยใช่ต้องอาบาตัตคุย้าเลยห้ามเรียกว่าอนามัทบิณฑบาตให้อนามัทธบิณฑบาตแก่บุคคลยกเว้นสามคนเนี่ยถือว่าต้องอาบาตัตยกเว้นมารดาบิดายกเว้นพระราชายกเว้นโจร น, นี่หมายถึงว่าพระราชาโจรถูกบังคับท่านั้นไหมไม่ใช่โอ้เจอพระราชาแล้วต้องให้ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เอามีสิครับพันไปเปิดดูในวินัยพระราชาบางบงพระองค์เนี่ยนะชอบคุกคามไม่เว้นแม้แต่สมณะเห็นสมณะก็ข่มขู่คุกคามอย่างเช่นพระราชาผู้ไม่เลื่อมใสในพระศาสนาลัทินับถือลัทิอื่นเห็นีิสูจแล้วข่มขู่แกล้งอ่ะแกล้งจริงๆไม่ได้หรอกใช่จริงไม่ได้ก็มีเรื่องอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะที่ราชกุมาร ถูก อ, อะไรนะอบพยพหนีจากเมืองเพราะว่าแย่งชิงกันขึ้นคองราดในสมัยทมินลังกาเนี่ยมีราชกุมารองหนึ่งแล้วก็ละหกละเหินไปอดๆอยากๆฤาษีท่านหนึ่งเห็นสงสารเลยเอาอาหารบิณฑบาต ท, ที่เหลือจากตัวเองฉันแล้วเนี่ยมาให้พระราชกุมารพระราชกุมารไม่พอพระไทย เอาของเหลือมาให้ฤาษีก็ไม่รู้ว่านี่คือพระราชานี่คือพระราชปุมานแล้วก็ทนอยู่ทนอยู่พอวันหลังจากนั้นได้ขึ้นครองราชมีอำนาจให้ทูตไปตามฤาษีคนนั้นมาอยู่ในราชอุทยานบอกว่าจะอุปถัมภ์บำรุงอย่างดีเคยช่วยชีวิตไว้พอรับสังให้เข้าราชอุทยานจับไปประหารเครียดแค้นว่าเอาของเด่นให้สวย อย่างนี้ก็มีแล้วผู้เจ้าจึงอนุญาตไว้พิเศษเอาว่าจะตอบต่อไม่ได้แล้วพอก่อนดูใหม่ข้อ6สัตมีวิพัตในอัตกรณะแปลว่าด้วยโดยตามนี่แหละยังไปมีถึงไหนดูนะดูข้อหนึ่งใหม่ฮะเทสุปินดายะจังรันติย่อมจางิกเพื่อบินทะบาดด้วยมือทั้งหลาย หัดเถสุด้วยมือทั้งหลายเป็นสัตตมีแปรเป็นกรลณะตติยาแปลว่า ด, ด้วยข้อ 2. ปัตเตสุปินดายะจังรันติหัดเถสุแล้วก็มีปัตเตสุด้วยปัตเตสุแปลว่าบาด ท, ทั้งหลายนั่นแสดงว่าภิกษุทั้งหลายด้วยนะเพราะภิกษุรูปเดียวจะใช้บาทหลายใบไม่ได้บาทต้องใบเดียวเท่านั้นกิริยาก็เป็นจรันติผู้หูพจน์ด้วยพิคูภิกสุทั้งหลายจารันติย่อมจางริก บินดายัเพื่อบินทบัติปเตสุด้วยบาททั้งหลายใช้บาทบินทบาตใช้บาทไปบินทบาตบางทีก็ไม่ใช้บาทนะบางทีเดินไปเปล่าเปล่าก็บอกโยมขอบินทบาตะคือาจะขอขอบินธบาทอย่างเดียวเลยพระขอบินธบาตค่ารถขอบินทบาตยาขอบินทบาตหมด ไม่ใช้แทนปาเตนปเตหิใช้แทนปาเตหิด้วยบาททั้งหลายคนที่ท่องคนที่จาริกบิณฑบาตก็มีแต่ภิกษุนั่นแหละมันมีแต่กิริยาเลยใส่ประธานให้ดูเฉยข้อสามปะเถสุคัดฉันติคัดฉันติใส่ใครก็ได้ใส่มนุษสาก็ได้มนุษสามนุษย์ทั้งหลายคัดฉันติย่อมไปปะเถสุโดยทาง ทั้งหลายตามทางทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเดินไปตามทางหลายมนุษย์ทั้งหลายไปตามทางทั้งหลายเป็นสัตมีแปลเป็นทัติยาข้อ4ตะทั้งหูปพพชิโตสันโตชาติยาสัตวสิโกโสปิมังอนุสาเสยะสัมปติชามิมัทธเกมัทธเก เป็นสัตตมีวิภัตแปลเป็นตติยาสมิงเป็นเอมทาทเกเนี่ยแต่ให้แปลเป็นตติยามทาทเกแปลว่าด้วยกระห ม, ม่อมด้วยศีษะกระหม่อมจอมหัวนี่แหละนะตะทะหูเป็นสนที่แยกออกมาเป็นตังอะหุตังอะหูตะทหูตังอะหุะะหอ ห, อหูตังก็แปลว่านั้นอหุแปลว่าเป็น อหัแปลว่าเป็นแปลว่าได้เป็นแล้วนั่นแหละอหัวเหมือนอหสีนั่นเหมือนกันอหัวปัปพชิโตแปลว่าบวชแล้วสันโตแปลว่าผู้สงบเป็นผู้สงบกายสงบจิตสงบชาติยาแปลว่าโดยชาตโดยชาติกาเนิด สตวาวสซิโกสตะแปลว่า7วัศะแปะวะลว่าฤดูฝนหรือแปลวะป่าปีอิกะแปลว่าผู้มี <c oughs> ผู้มีปี7ผู้มีอายุ7ปีผู้มีพรรษา7หรือผู้มีการฝน7สรุปแล้วก็คือมีอายุ7ปีนั่นแหละโสปีก็โสอปิแม้ผู้นั้นแม้บุคคลนั้นมังแปลว่าซึ่งเรา อนุสาเสยะพึงพร่ำสอนพึงพร่ำสอนสัมปติฐามิจะไม่ใช่จักนะจะจาะจะจะรับจะรับจะรับไว้ก็ได้มัทธเกเป็นสตรีแปลว่าด้วยกระห ม, ม่ด้วยเสียนกล้าวด้วยศีรษะแปลให้ฟัง สตาวสซิโกบุคคลผู้มีอายุเจ็ดปีชาติยาโดยชาติกำเนิดปับพระชิโตเป็นผู้บวชแล้วสันโตเป็นผู้สงบอะหุนะแปลว่าย่อมเป็ น, นะอะหุแปลว่าย่อมเป็นตั้งแปลว่าในวันนั้นบวชแล้วในวันนั้นเป็นผู้สงบ สัตว์วสิโกบุคคลผู้มีอายุเจดปี7ขวบซะมากกว่านะภาษาไทยนะบุคคลผู้มีอายุเจ็ดขวบชาติยาโดยชาติกําเนิดเกิดมามีอายุแค่7จ็ดขวบความหมายง่ายๆอะ่ะที่ใช้ว่าชาติยาเนี่ยเพื่อจะให้ชัดเจนว่าถ้าไม่มีชาติยาจะกลายเป็นบวชเจ็ดพรรษาจริงๆไม่ใช่บวชเจ็ดรษาแต่ว่ามีอายุเกิดมาแค่เจปี7จ็ขวบเอง ปะพชิโตวบวชแล้วตั้งในวันนั้นสันโตเป็นผู้สงบอหุได้เป็นแล้วก็คือไม่ต้องแปลว่าได้เป็นแล้วก็ได้สันโตอหุเป็นผู้สงบโสปิแม้ผู้นั้นแม้ผู้นั้นแม้ผู้มีอายุเจ็ดขวบนั้นนั่นแหละนะแม้ผู้นั้นอนุสาเสยยะพึงพร่ำสอน พึงพร่ำสอนมังซึ่งเรามังซึ่งเราสัมปติฉามิเป็นกริยาแล้วก็ใส่อาหางมาก็ได้อาหางเราสัมปติฉามิจะรับไว้จะรับไว้มัทธเกด้วยกระหม่อมจะรับไว้ด้วยกระหม่อม ลับไว้เหนือกล้าเหนือกระหม่อมก็คือโค้งน้อมรับพูดง่ายๆน้อมรับเป็นของสูงถ้านบอกว่าบุคคลแม้จะมีอายุแค่เจ็ดขวบก็ช่างแต่ว่าบวชแล้วเนี่ยมีมีจิตสงบดีแล้วคำว่าสันโตนี่แปลว่าพระอรหันต์เลยนะคําว่าเป็นผู้สงบเนี่ยหมายถึงพระอรหันต์เลยเราจะแปลว่าเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ก็ได้ เมื่อผู้นั้นพร่ำสอนเรานะเราก็จะน้อมรับด้วยเสียงกล้าวเลยแหละแม้จะอายุน้อยกว่าเราก็ช่างเพื่อไม่ให้รู้เพื่อป้องกันแปลว่าเจ็ดพรรษาให้แปลว่าเจ็ดขวบชาติยาเนี่ยเจ็ดปีตั้งแต่เกิดไงไม่ใช่เจ็ดปีตั้งแต่บวชเนะพราะมีคาว่าปอบพชิตโตแล้วเนี่ยครับถ้าไม่ใส่ชาติยาเดี๋ยวจะกลายเป็นเจ็ดทรรษา บวชในวันนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยตังตังตาหูตังอหูตังตังท่ว่าสังอ่ะในวันนั้นเป็นทุติยวิพัฒน์แต่แปลเป็นสัตตมีตังที่ว่าสังในวันนั้นถ้าจะโยกมานะตังให้เฉยเนี่ยตังที่ว่าสังตังแปลว่าในวันนั้นตังแปลว่านั้น ตังที่วสังที่วสังในวันตังนั้นตังที่วสังในวันนั้นตังอะหุตัดสนที่มาเป็นตังกับอะหุอะหุแปลว่าเป็นตังแปลว่านั้นอต้องไปดูอัถกถาถ้าเราแปลเองไม่ออกก็อัธกถาทั้งขยายเอาไว้ตังอะหูไม่ใช่ตาทะหูตาทะหตัดออกมาเป็นตังคําหนึ่งอะหูคําหนึ่ง อ่าตาทัหูไงมันแปลตาทั้งหูรวมกันไม่ได้เพราะมันเป็นสนธิต้องแยกกันแปลอาหูแปลว่าเป็นทะเนี่ยมาจากนิจหิตนิจหิตที่ตังเนี่ยเป็นทะนิจหิตเป็นทะเป็นมะไงเพราะสละหลังเราเรียนมาแล้วสนธิอะแปลไม่ได้ต้องแปลตังกับอาหูยังจะแปลได้แยกสนธิมาเราให้แปลตังแปลว่าในวันนั้นตังน่ะแปลว่าในวันนั้นอาหูแปลว่าเป็น ก็เป็นผู้สงบงั้นไงไม่ใช่เป็นผู้สงบแล้วในวันนั้นปรับพระชิตโตบวชแล้วตั้งในวันนั้นสันโตอาหุเป็นผู้สง บ, นนสงบพูดง่ายว่าแม้จะบวชแค่วันเดียวใช่แม้จะบวชแค่วันเดียวแต่ว่าเป็นผู้สงบแล้วเนี่ยนะสามารถสั่งสอนเราได้ถ้ามาสั่งสอนเราเราก็จะน้อมรับเลย ขยายสาตัสตตะสัตตะขยายสาตัตตะวัดศีโกนี่แหละสตัตตะแปลว่าเจวัดศะแปลว่าฝนฤดูฝนแปลว่าปีอีกะแปลว่าผู้เกิดผู้เกิดเจ็ดปีโดยชาติไม่ใช่โดยการบวชถ้าแปลว่าบวชถ้าเจ็ดปีโดยการบวชก็จะกลายเป็นว่าบวชเจ็ดพรรษาแต่นี้ใช้ชาติยาเพื่อให้รู้ว่าอายุไม่ใช่พรรษาหมายถึงอายุ ตั้งแต่เกิดมาเจ็ดปีคาถานี้เป็นคําของพระสารีบุตรสามเณรรูปหนึ่งชื่อว่าสามเณรสังกิจจะวันหนึ่งไอ้สามเณรสังกิจจะเนี่ยนะพอเกิดมาแล้วอยากจะบวชอยากจะบวชเพราะอดีตแต่ชาติไม่ค่อยดี ก็เลยพอเกิดมาก็น้อมจะบวชอยู่เพราะอายุได้เจดขวบญาติก็คิดว่าเอเจ้าสังกิตจ่านี่ให้บวชข้อดีก็เลยพาเข้าไปหาภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรก็รับเป็นพระอุปชาให้บวชในขณะที่คลอนผมอยู่ภาษาลิบุตรให้ตัจ่ปัญจกะกรรมฐานให้มูละกรรมฐานว่าเกสาเกสาเกสาเนี่ยกลอนผมยังไม่เสร็จเลยบรรลุพระอรหรันต์ บรรลุพระหรหันตเขวบเองอรบรรลุพระอระหันต์วันหนึ่งออกบินทบาทปกติพระเนนในวัดมันไม่เหมือนทุกวันเนี้ยนะวัดเนะี่ยไม่ใช่มีพื้นคอนกรีตมีถนนห น, น, น, นทางที่เป็นคอนกรีตอย่างนี้มันมีแต่พื้นดินดังนั้นทางออกประตูวัดก็จะมีลานซึ่งลานเนี้ยมีพราหมูหนึ่งสร้างเอาไว้เป็นตัวอย่างวันหนึ่งเห็นพิษสุงหลาย มันนุง่งจีวรห่มจีวรก่อนออกบิณฑบาตเนี่ยระหญ้าระไม้ก็เห็นว่าอุย้ยหญ้ามันรกฤดูฝนเนี่ยหญ้ามันรกพิสูจไม่มีที่ยืนห่มจีวรก่อนออกบิณฑบาตยมก็เลยเอาจอบมอาได้หญ้าให้เตียนลงแล้วกับขุดดินกรบปรับเป็นพื้นเป็นลานไว้สําหรับห่มจีวร น, นาวัดนะตั้งแต่บัด น, นั้นมาก็เลยนิยมนาวัดก็จะทําเป็นลานไว้สำหรับห่มจีวร ส่วนทุกวันนี้ผมตั้งแต่อยู่ในกุฏิค่อยออกไปแล้วในเวลาเราไปแปรบาลีเขาจะเห็นว่าพระพุทธเจ้ามือถือบาทและจีวรใช่ไหมถือบาทและจีวร อ, ออกไปเอ้าพุทธเจ้าออกจากพระคันเตกุฏีเนี่ยจะไม่ได้ห่มจีวรเนี่ยจึงใช้คําว่าถือบาทและจีวรก็คือไปถึงลานห่มจีวรจึงจะห่มจีวรแต่ถ้าสมัยนั้นไม่มีผ้าอังสะผ้าเฉียงบาบืนเล็กๆ เ, เหมือนเสื้อแขนเดียวเนี่ยนะแขนเดียวของพระเนี่ยนะสายเดียวเนี่ย ก็จะเปือยกายเปลื่อยกายเดินอยู่ในวัดก็เปลือยกายทําอะไรก็เปื่อยกายทําให้ห่มจีวร น, นะ น, นั้นก็จะเอาจีวรถือคล้องแขนหรือไม่ก็พาดไหล่เดินไปถึงลานห่มจีวรค่อหอมวันนั้นพระสังขรีบุตรห่มจีวรแล้วชายของมุมจีวรเนี่ยย่อนไม่เป็นปริมณฑลสามเณรเห็นก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ขอรับ จีวรของท่านไม่เป็นปริมณฑลภาษาริบุตรก้มลงมองดูเออใช่วันนี้เราครองจีวรไม่เป็นปริมณฑลจึงตอบสามเณรไปว่าโอ้สาธุครับท่านอาจารย์เดี๋ยวผมจะหอมใหม่แล้วภาษาลิบุตรลี่จีวรแล้วก็บิดหอมจีวรใหม่หอมจีวรเสร็จแล้วหันไปถามสามเณรถามว่า ปริมันดลังอาวุโสอาจารย์ดูใหม่ซิว่าเป็นปริมณฑลหรื อ, อยังอ <c oughs> สามณเนรเขบอกว่าปริมณนดลังพันเตเป็นปริมณฑลแล้วขอรับนั่นแหละไปนั้นภาษาลิบุตรจึงบอกว่าครับเนี่ยแม้จะบวชแค่เจ็ดปีแต่ว่าบวชแล้วนะอายุเพียงเจ็ดปีจริงแต่ว่าบวชแล้วเป็นผู้สงบดีแล้วจะสั่งสอนเราเราน้องรับด้วยเสียงกล้าวเลย ทำไหนแปลไม่ออกสังสคาวะอัฏฐกถาครับสังยุตตนิกายสักขาวะอัฏฐกถาไปดูอัฏฐกถาครับเอาละลองแปลดูสัตมีในอัตกรณะฮัตเถสุปินดายะจังกรันติย่อมจางรฤกเพื่อบินทบาทด้วยมือทั้งหลายปัตเถสุปินดายะจังกรันติ ย่อมจางฤกเพื่อบินทบาทด้วยบาททั้งหลายปะเถสุขัตฉันติย่อมไปตามทางทั้งหลายตถาหูปพัพชิโตสันโตชาติยาสัตวสิโกโสปิมังอนุสาเสยสัมปติชามิมัตเถเก บุคคลผู้มีอายุเจ็ดปีโดยชาติกำเนิดบวชแล้วในวันนั้นเป็นผู้สงบแม้ผู้นั้นพึงพร่ำสอนซึ่งเราเราจางรับไว้ด้วยกระหมอ่อมอย่างยมเกียติพลนี้รับง่ายกระหม่อมเยอะ